สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาหลังจากที่หยุดพักสาวอาทิตย์กันไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรากลับมาพบกันอีกวันหนึ่งเวลามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในปี2553นี้เราตั้งใจจะให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมฟังพระสูตรพร้อมกับกระจ่างแจ้งกับการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเวลาที่มีค่าในแต่ละวัน เริ่มต้นกันที่การที่พระมาร์คชาคาวโรแห่งวัดนาปาพงลำลูกกาคลองสิทธนะคะจะมานำท่านในการปฏิบัติสมาธิพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับอานิสงส์ของการปฏิบัติสมาธิค่ะน้ัสการและอาราธนาท่านดำเนินเลยค่ะเจริญพรวันนี้เราก็กลับมาปฏิบัติทำความเพียรด้วยการนั่งสมาธิกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเราพร้อมแล้วก็ เริ่มได้เลยด้วยการมีสติรู้อยู่กับลมหายใจแล้วก็ถ้าเกิดมีความคิดไปในอดีตอนาคตความสุขความทุกข์ก็ให้รีบละความคิดนั้นเสียที่เรียกว่าการละนันทิหรือก็ว่าการละความเพลินแล้วก็มาตั้งสติรู้อยู่กับลมหายใจพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ถึงการเจริญอาณาปณะสติไว้ว่า อ, อ, นนอานนท์อาณาปณะสติ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 หายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเม <ME> ื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเขา้า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 ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกทำจิตตัสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าทำจิตตสังขาร ให้รำงับอยู่หายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปานาสติในระหว่างนี้ที่เรารู้อยู่กับลมหายใจหากมีความคิดจิตหลุดออกไปคิดในเรื่องต่างๆก็ให้รีบละความคิดนั้นเสียมาตั้งอยู่กับลมหายใจพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงอนิสงค์ของอาณาปานาสติที่สามารถ ทำให้อกุศลต่างๆนั้นดับลงไปได้โดยท่านได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธินี้แหลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรม ที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตราฐานไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุน่นธุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุน่นธุลีเหล่านั้นให้อันตราฐานไปให้รำงับไปได้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 ให้อันตรธ า, านไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะได้ฉะนั้นเหมือนกันดังนี้สำหรับวันนี้เราก็ได้ทําความเพียรมาสมควรแก่เวลาก็ค่อยๆ อ, ออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายอิริบทได้ก็เดี๋ยวมาปฏิบัติกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็พอเท่านี้ นำ้ำมศการขอบพระคุณค่ะท่านฝั่งคะเราสามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมวันละนิดวันละหน่อยกันอย่างนี้แต่อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเมื่อทําให้มากก็ดังที่พระมาชาคาวโรได้อ่านประสูนย์ให้ฟังกันไปแล้วนะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปของรายการสรนสนีสนทนาก็คือช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะ